ยันมาดูในพระสูตรบ้างไงเามาชวนไปไหนแล้วเนี่ยแบ่งพระธาตุเสร็จแล้วนะในหน้า465เนี่ยนะพูดถึงพระธาตุทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อได้รับการกระจายไปตามที่ต่างๆแล้วตอนหลังท่านพระหมหากระสปะเห็นอันตรายของพระบรมธาตุทั้งหลายจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าชาติศัตรู คือแสดงว่าถ้าหากว่าพระธาตุทั้งหลายเนี่ยถ้ายังประดิษฐานอยู่ตามแปดเมืองอย่างที่กล่าวมาแล้วเช่นเมืองอะไรบ้างนะเมืองแปดเมืองที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเมืองเช่นถ้าไปอยู่ในเมืองภัยาลีอยู่ในเมืองกบิลพัทอยู่ในเมืองอลกปะอยู่ที่เมืองรามคามเมืองเวทถีปกะเมืองปาว่าหรืออยู่ที่เมืองกุสินาราก็ทําพระธาตุทั้งหลายถ้ายังอยู่อีกเจดแคว้นนั้นอ่ะไม่ปลอดภัยแน่นอนต่อ พระธาตุอย่าลืมว่าสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งริศยาด้วยสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งกุศลสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลด้วยพระธาตุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสของผู้มีศรัทธาก็เป็นที่ตั้งแห่งริศยาของผู้ที่ไม่มีศรัทธาด้วยหนังสือเล่มหนึ่งท่านกล่าวว่าพระเจ้าอโศกเนี่ยนะเป็นคนที่รักต้นโพบูชาต้นโพที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาก มเหสีเนี่ยหมั่นไส้จริงๆเลยเนี่ยนะเนี่ถ้าหากว่าพระเจ้าอาโศกไม่ไปดูแลต้นโพก็คงมาเอาใจเราบ้างเอางี้ดีกว่าเอาน้ําร้อนไปรดต้นโพให้ตายซะเลยหมดเรื่องเลยนะเนี่ยความคิดคนมันได้เท่านี้จริงๆฉลาดเท่านั้นจริงๆเนยนะไปไหนเนาะคะนี้เนี่ยนะนางสารชาตินั้นได้เป็นมเหสีชาติต่อไปก็ไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วล่ะเนี่ยนะเพราะสิ่งที่ใดที่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่ง ริศยาสิ่งใดที่เป็นที่ตั้งแห่งกุศลสิ่งนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระมหากรสปารู้เลยว่าคนที่มีอกุศลเนี่ยนะคนที่เกิดอกุศ ล, ลจิตถ้านั้นมีอํานาจละ่ะอะไรจะเกิดขึ้น น, นะนะถ้าคนที่เป็นอกุศลเช่นคนที่มีจิตใจเหี้ยมโหดพร้อมที่จะทําปานาติบาศถ้าบุคคลเหล่านี้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหร่สงครามก็บปเลยเหมือนกันนะ ถ้าหากว่าคนที่มากไปด้วยอะทินนาทานเนี่ยนะเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคนที่มากไปด้วยการมีสุมิชฌาจารมีอานาจขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นพันสรุปว่าคนบาปถ้ามีอำนาจแล้วก็โอ้อันตรายมหาศาลฉันใดก็ดีพระมหากระสปะท่านเห็นแล้วว่าคนต่อไปคนไม่มีศรัทธาเนี่ยนะก็จะก็จะเริ่มมีอำนาจมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นหนักๆเข้าพระทาตอันตรายแน่อนอน ทีนี้พระหมากัะสปะ ก, ก็เลยไปกราบทูลให้พระเจ้าชาติศัตรูทราบว่าขอถวายพระพรเรานี่ควรเก็บพระบรมธาตุเอาไว้อย่างนี้แหละพระเจ้าชาติศัตรูก็ตรัสว่าดีละท่านกิจด้วยการเก็บพระบรมธาตุนะเป็นของโยมโยมท่านจงยกเอาไว้คือไม่ต้องหนักใจไม่ต้องลำบากใจในเรื่องการเก็บดูแลรักษา แต่ว่าโยมจะนําพระาธาตุมาได้ยังไงจะไปเอาจากเมืองทั้งหลายนั้นได้ยังไงเขาไม่ยอมแน่ตอนแบ่งพระาธาตุก็จะยกทัพจับเสืกจะบเขนจะบฆ่ากันอยู่แล้วใช่ไหมนี่ไปขอเอาพระาธาตุคืนมาทั้งหมดเลยใครจะอนุญาตให้อ่นะแต่พระมหากระสปะก็บอกว่าขอถวายพระพรการนําพระบรมาธาตุมาไม่ใช่ภาระของมหาบาพิตรแต่เป็นภาระของอัตมาภาพพระเจ้าชาติศัตรูก็ตราสาัสภาษาทุพระเจ้าค่า ขอพระคุณเจ้าโปรดนำพระบรมธาตุมาเถิดเดี๋ยวยมจะเก็บให้เองพระเทระนั้นเว้นเพียงแต่เพียงที่ราชสกูลนั้นก็ปกปิดเอาไว้ปกปิดสถานที่บรรจุพระบรมธาตุที่เหลือแล้วก็นำมาคือแสดงว่าพราะถือเนื่องจากว่าพระมหากัจจปะเป็นผู้มีฤทธิ์ะนะนั่นจะอัญเชิญพระธาตุมาก็ไม่ได้เป็นภาระยากอะไรแล้วก็นามา เหลือพระธาตุที่ในที่เมืองนาคที่รามาคามที่นาคดูแลเนี่ยอันนั้นเอาไว้เถอะเพราะอะไรเพราะอันตรายไม่มีแน่นอนเพราะพระธาตุพญานาคก็ดูแลดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นธาตุไม่อันตรธานไม่ไม่อันตรายต่อ น, นั้นไปในอนาคตทั้งหลายคนก็จะเก็บไว้ในพระมหาเจดีย์ในมหาวิหารลังกาทวีดเสร็จแล้วก็ไม่นำพระบรมธาตุเหล่านั้นมา คือธาตุเหล่าใดที่ที่ไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าไม่มีอันตรายโดยประการทั้งปวง ก, ก็เอาไว้ที่นั่นต่อเสร็จแล้วก็นำจากเมืองที่เหลือเนี่ยนะเอามาประดิษฐานไว้ในทิศ ต, ตะวันออกและทิศใต้แสดงว่าระหว่างทิศตะวันออกทิศใต้ก็แปลว่าทิศอะไรออกออกเฉียงใต้อ่ น, นะตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองราชครกเนี่ยนะใครไปราชครกนี่ก็ไปดูว่าที่เก็บพระธาตุนี่อยู่ตรงไหน ครั้งที่แล้วลุงเรืองกาลังไปโกนผมอยู่เนี่ยนะพอลุงเรืองนั่งโกนผมไปเนี่ย น, นะพระไปโกนผมให้เสร็จแล้วก็นั่งคุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีการพูดคุยกันว่าที่เก็บพระธาตุเนี่ยอยู่ที่ไหนว่าที่เก็บพระธาตุเนี่ยในบริเวณเมืองราชครึกเนี่ยอยู่ที่ไหนเขาก็คุยกันสถานที่ตรงนั้นเข้ามาจําชื่อไม่ได้อ่าท่าน พระพรกตพระรูปหนึ่งก็บอกว่ายังไม่เคยพาไปเลยางั้นมีโอกาสน่าจะได้ไปแต่ว่าเป็นสำนักของกลุ่มคนละศาสนาไม่ใช่ของเราเป็นสถานที่บรรจุพระาธาตุที่เราจะพูดถึงตรงนี้ซึ่งสถานที่ตรงนั้นมีอยู่มีอยู่จริงเนี่ยนะตอนนี้แต่เป็นเป็นสถานที่ของศาสนาอื่นเขาครอบครองอยู่พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยนะเขาเนื่องจากว่าไปเห็นสั ญ, ญลักษณ์บางอย่างก็เลยยกให้ฮินดูไปแต่จริงๆแล้วเป็นของ อันอดีตนั้นเคยเป็นของพุทธคือตอนที่เขาจะมีการยกสถานที่ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นของพุทธเป็นของสาธารณะเป็นของอะไรเนี่ยนะตอนที่เขาแบ่งตอนนั้นเขาสำรวจไปว่าอ่ะตรงนี้เป็นของศาสนาอื่นไปตรงนี้เป็นของพุทธตรงนี้เป็นของอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าสรุปว่าสถานที่บรรจุพระธาตุที่ที่เรากําลังจะพูดต่อไปเนี่ยอยู่ใน การครอบครองดูแลของาศาสนาอื่นไม่สถานที่นะตัวสถานที่แต่องค์พระธาตุเนี่ยก็คือเนี่ยอยู่ที่ไหนมั่งอยู่ตามภูเขาทองอยู่ตามเจดีย์เนี่ยทั่วโลกอ่ะนะตอนนี้พระธาตุก็กระจายไปหมดแล้วเพราะขุดเอามาออกมาจากตรงนั้นแล้วแต่พื้นที่ตำแหน่งเนี่ยตอนนี้คนละาศาสนาก็ดูแลอยู่ทีนี้สถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะอยู่ในทิศตะ ว, วันตกออกเฉียงใต้อะนะของกรุงราชครึก ท่านก็อธิษฐานคืออาศัยฤทธิ์ที่อธิษฐานว่าหินหินอันใดที่มีอยู่ในที่นี้หินอันนั้นจงอันตรธานไปขอฝุ่นสะอาดด้วยดีขอน้ําจงอย่าถึงณที่ตรงนี้แปล ว, ว่าน้ําอย่าขังนะก็ใช้ฤทธิ์อธิษฐานเป็นหลักพระราชาก็สั่งที่ขุดที่ตรงนั้นคุ้ยฝุ่นจากที่ตรงนั้นแล้วก็ก่อเป็นอิฐเนี่ยนะก่ออิฐโปรดให้สร้างเจดีสําหรับพระอสีติมหาสาวกนะ แต่สร้างที่เก็บบรรจุพระธาตุของพระมหาสาวกองค์อื่นๆด้วยอาจารย์บางท่านกล่าวว่ามีคนถามว่าพระราชาโปรดให้สร้างอะไรตรงนี้คือมันมีพวกคนงานไปทํางานตรงนั้นค่อนข้างเยอะนะประชาชนก็ชักสงสยัยเอ้พระราชามาสั่งขุดทําอะไรตรงนี้ก็ตอบว่าให้สร้างพระเจดีย์สำหรับพระสาวกแลก้วก็ตรงไหนที่ลึกเนี่ยลึกประมาณสักแปดสิบซอกก็ขุดลึกสี่สิเมตรเนี่ยก็เยอะมกันนะ เป็นขุดผิดที่ทั่วๆไปเนี่ยน้ําพุ่งกระฉูดเลยแหละถ้าขุดลึกขนาดนี้นะเน่ยแล้วเสร็จแล้วพอก่ออิดเสร็จให้ปูเครื่องลาดโลหะไว้ภายใต้แลปูแผ่นเหล็กเอาไว้เลยเนี่ยปูแผ่นเหล็กโลหะแล้วก็สร้างพระอบที่ทําด้วยไม้จันท์เหลืองเป็นต้นแล้วก็ทําพระสถูปไว้อย่างละแปดอย่างละแปดครั้งนั้นพระราชาใส่พระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้ในพระอบจันท์เหลืองก่อน ของพระอบใหญ่เลยแหละเสร็จแล้วก็ใส่พระอบจันทรเหลืองนั้นลงในพระอบจันทเหลืองอีกใบหนึ่งใส่พระอบจัน์เหลืองไว้ในพระอบจันเหลืองอีกใบหนึ่งเขาเรียกว่าจันท์เหลืองอยู่ในจันท์เหลืองเนี่ยแปดชั้นด้วยกันซ้อนกันแปดชั้นแต่ก็อในหนังสือพระธาตุหนังสือพระธาตุนั่นน่ะเขาก็มีที่เมืองจีนเขาก็ทํารูปแบบเดียวกันเนี่ยเขามีซ้อนซ้อซอนซกันอยู่หลายชั้นมากเนี่ยก็ที่เมืองจีนน ก่อนที่ที่ทตอนตอนพระธาตุที่เมืองจีนเนี่ยพักอะไรนะนิ้วข้อพระหัตต์อะ่ะก็ก็บนจุในลักษณะเดียวกันนะก็มีการทําเป็นซ้อนๆเนี่ยนะใครอยากดูก็ดูเอาละกันว่าเขาทําซ้อนอย่างไรเสร็จแล้วเอาจันทร์เหลืองนี่ลงในสถูปงาอา่ะครับใช่ขออภัยใส่สถูปจะอา่าสถูปหรือว่าเจดีจันท์เหลืองเนี่ยซ้อนเข้าไปในสถูปจันท์แดงแปดชั้นแล้วก็เอาจากจันท์แดง ใส่ไปในพระอบอะไรพระอบงาใส่ออกนะอันดับแรกใช้ในจันเหลืองออกจากจันเหลืองใช้ในจันแดองออกจากจันแดเงเป็นพระอบงาออกจากพระอบงาก็เป็นรัตนลนุนล้วนอีกแปดชั้นออกจากรัตนะเป็นอะไรเป็นพระอบทองคําจากพระอบทองคําเป็นพระอบเงินจากพระอบเงินเป็น ผอบแก้วมันีจากผอบแก้วมันีเป็นผอบทับทิมออกจากทับทิมก็เป็นแก้วหลายออกจากแก้วลายก็เป็นแก้วพลึกแล้วก็แก้วพลึกเนี่ยก็แก้วพลึกก็คือพวกเนี่ยกระจกแบบเราๆเนี่ยแก้วผลึกเนี่ยพวกเนี่ยแก้วแ ก, ก้วมันตกพลึกขึ้นมานะพวกกระจกที่เราใช้ใช้กันอยู่เรียกว่าแก้วพลึกทั้งหลายก็หนาเข้าอีกแปดชั้นอันนี้รภัยนะการระเบิดได้ตอนนี้ถ้าบรรจุพระธาตุนะก็ต้องมีกระจกนิรภัยนะการระเบิดได้นะเนี แต่การขโมยขโมยกระจกอันนั้นไม่ได้ น, นะเพราะคนเอามาตั้งไนะเพราะคนพขโมยกระจกอันนั้นได้แต่กระจกกัน ร, ระเบิดได้พระเจดีย์แก้วผลึกเนี่ยนะแล้วก็กอยอดมียอดก่อนแล้วก็เอาเป็นประมาณแห่งเจดีย์ท่านบอกว่าเหมือนอะไรดูถูปารามเอและกั น, กนถูปารามนะถูปารามก็คื อ, อที่ที่ที่ เมืองอนุราธ่ปุระนี่มีเจดีย์ใหญ่ๆอยู่หลายองค์แต่เจดีย์ที่เด่นใหญ่สําคัญมากนะที่เขาเคารพมาตั้งอดีตจวบปัจจุบันก็หนึ่งถูปารามถือว่าเป็นปฐมเจดีย์แห่งศีลังกาถัดนั้นมาก็เป็นมหาเจดีย์หรือว่าสุวรรณมาลิกะเจดีย์แล้วก็มาจะเป็นโลหะปราสาทแล้วก็เป็นต้นโพเนี่ยนะที่ที่อนุราท่ปุระเนี่ยก็บอกว่าคิดถึงนั่นแหละถูปารามก็แล้วกัน บนเจดีแก้วผลึกนั้นก็โปรดสร้างสร้างเรือนขึ้นมาเรือนที่ล้วนด้วยรัตนะแต่ทุตที่ถูปารามนี่เป็นอย่างนั้นนะเป็นเจดีก่อนเป็นเจดีองคสีขาวแล้วก็เขาสร้างเรือนครอบเลยสร้างเป็นเรือนครอบองคเจดีเนี่ยนะสร้างเรือนครอบองคเจดีที่สำเร็จด้วยรัตนะแล้วก็เสร็จแล้วก็สร้างเรือนทองคำครอบไว้อีกครั้งหนึ่งเสร็จก็สร้างเรือนเงิน เรือนที่ทําด้วยทองแดงแล้วก็โปรยเม็ดทรายทาด้วยรัตนะทั้งหมดเกลียดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำเนี่ยวางไว้เป็นพันดอกสร้างเรื่องขึ้นมาเป็นสร้างชาดก550ชาดกหรือประวัติเกี่ยวกับพระอสิฏฐิมหาสาวกเรียกว่าจิตตะรามฝาผนังทั้งหลายก็ทําขึ้นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าสุโทธทนะพนางมหามายาสหาชาติของทั้งเจของพระองค์ทุกอย่างก็มีการตกแต่งด้วยรูปทองคําทั้งหมด ให้ตั้งหม้อน้ำที่เต็มด้วยทองและเงินเนี่ยห้าร้อยหม้อหม้อน้ำธรรมดาเนี่ยหม้อน้ำเนี่ยเป็นหม้อน้ำแล้วก็เอาเงินเอาทองใส่ประมาณห้าร้อยหม้อให้ยกทงทองอีกห้าร้อยธงประทีปทองห้าร้อยประทีปประทีปเงินห้าร้อยประทีปใส่ผ้าเปลือกไม้ไว้ในประทีปเหล่านั้นแล้วก็บรรจุน้ำมันหอมครั้งนั้นท่านพระหมหากรสปะอธิฐานว่าขอพวงมาลัยอย่าเหี่ยมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมก็อย่าหายไป ประทีบอย่าไหม่แล้วก็ให้จารึกอักษรไว้ที่แผ่นทองว่าแม้ในอนาค ต, ตการครั้งราชกุมาร น, นามว่าอโศกเฉลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเท้าเชิจักรธรรมพระาธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้มีอำนาจที่สุดคืออินเดียสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยไม่มีเอกภาพมีแคว้นใหญ่ๆอยู่ห16แคว้นเนี่ยนะแล้วก็16แคว้นเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นแคว้นอังคมามคทะเนี่ย มีก็ขึ้นตรงต่อเมืองราชครึแคว้นวัดชีขึ้นตรงต่อเมืองภัยาลีแคว้นอุชเชนีก็ขึ้นตรงต่อเมืองโกสัมพีแคว้นโกศลก็ขึ้นตรงต่อเมืองสาวัตถีแคว้นพารณสีเนี่ยนะแคว้นกาสีก็ขึ้นตรงต่อแคว้นโกศลแล้วก็อีกหลายแคว้นคืออาณาจัก ร, รมันยังกระจัดกระจายอยู่ก็ถือว่ามีหลายประเทศมากในสมัยนั้นไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนสมัยพระเจ้าอโศกแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนี่คือสมัยพระเจ้าอโศกครอบคลุมเนื้อที่มากที่สุด ถือว่ามีพระราชอำนาจสูงสุดในแผ่นดินเนี่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆแล้วแล้วก็เพราะฉะนั้นพระราชาพระองค์นี้แหละที่จะมีอภ ร, ราชานุภาพแล้วก็มีพระาหันในยุคนั้นเยอะแล้วก็แบ่งสายงานเพื่อเผยแพร่เผยแพร่ทั้งพระพุทธรัตนะคือเอาพระธาตุไปกระจายตามที่ต่างๆพระธรรมรัตนะคือเอาคําสอนเนี่ยออกไปซึ่งตัวท่านเหล่านั้นก็เป็นพระสังฆรัตนะอยู่แล้วเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็พระราชาก็เอาเครื่องประดับทั้งหมดของตัวนี่บูชาแล้วก็ปิดปิดประตูแล้วก็เสด็จออกไปก่อนแต่แรกจากนั้นเท้าเธอก็ปิดประตูทองแดงแล้วก็คล้องตรากุญแจไว้ที่เชือกผูกวางแท่งแก้วมณีแท่งใหญ่เอาไว้ที่ตรงนั้นแท่งแก้วมณีนะเป็นแก้วแบบดีมีค่ามากจารึกไว้ซะพระเจ้าโศกในแค้นแค้นนะจารึกว่าในอนาค ต, ตการพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจน ให้ถือเอาแก้วมณีแท่งนี้กระทสาสักการะพระบรมาธาตุเถอพระราชาผู้ยากให้เรียกว่าพระราชาคนยากเอาแก้วนี้บูชานะอย่า ง, งนะเคราของฝากจากพระเจ้าชาติศัตรูเอาไว้ให้พระเจ้าโกศลไอ้พระเจ้าอาโศกเนี่ยนะเจ้าโศกเนี่ยแหม่ายเลยนะบังหาว่าเราจนมาแต่ก็จริงนะตอนท้ายจริงๆแล้วท่านเหลือมะขามป้อมลูกเดียวคือเนื่องจากว่าท่านทําบุญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะไอ้พวก พวกบริวารก็คิดไว้บัลลังก์ของพระ อ, องค์จะยังไงเนี่ยอย่างเงี้นจะล่มจมนะก็เลยคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ตอนหลังท่านไม่สบายนะก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เขาก็ตัดพวกไอราชเลขาหนุการพวกอำนาจเบิกจ่ายออกไปหมดก็เหมือนกับตัวคนเดียวมีมะขามป้อมให้ลูกหนึ่ง ไ, งไว้อมๆจิตจิตไปงั้นแหละก็เรียกว่าพระราชาตกยากนะตอนท้ายท่านก็เป็นอย่างนั้นก็คือเนื่องจากทําบุญมาก